โลกของแฟนตาซีเนี่ยแยกเป็นจักรวาลคู่ขนานไปนเลยก<ะ>็คือไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันมันจริงแท้แค่ไหนอย่างไรแต่ว่าถ้าโลกแห่งความจริงมีใครมาบอกชวนเราไปเล่นแร่แรปรธาตุแบบนี้เราก็บอกได้เลยว่าไม่ครับเพราะว่ามัน ม, มันเป็นของที่วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ อ, อย่างน้อยที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์มันมันทำไม่ได้ยกเว้นคุณจะมีเครื่องเร่งอนุภาคหรือมีเครื่องทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเขาก็พิสูจน์กันมาแล้วว่ามันไม่คุม้ม you're listening to the standard podcast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 คำว่าการเล่นแร่ปแปรธาตุแล้วเนี่ยทุกคนจะนึกถึงอะไรกันคะจะนึกถึงในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นในหนังสือดิเอลคิมิสที่ทำให้เห็นภาพของนักเล่นแร่ปแปรธาตุเนี่ยดูลึกลับ ดูมีเวทมนต์ขลังอะไรบางอย่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นแร่แปรธาตุในโลกจริงๆเนี่ยก็อยู่ในหลายอารยธรรมนะคะตั้งแต่ฝั่งอียิปต์โบราณมาจนถึงทางเอเชียอย่างจีนเองก็ตามแต่ว่ามันนํามาสู่วิทยาศาสตร์ในวันนี้ยังไงมาคุยกันในใดๆในโลกโลนฟิสิกส์วันนี้นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัตทโรจิตพนาค่ะและผมปองแผงอัดวรงจันทมาศครับพอฟังได้ยินคําว่านักเล่นแร่แปรธาตุหรือว่าการเล่นแร่แปรธาตุอย่างเงี้ยพี่ปองแผงแมันดูลึกลับมากเลยแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งนี้อยู่ <บ>ใช่ไหมครับมันคืออะไรใช่ครับคือที่น้องฟางพูดอะว่าเออมันเป็นความฝันของมนุษย์ยุคโบราณแล้วกันนะในการพยายามเปลี่ยนโลหะราคาถูกเช่นตะกั่วเขาอยากจะเปลี่ยนมันให้เป็นพวกโลหะราคาแพงยกตัวอย่างเช่นพวกทองคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีมคือมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์กาลเลยนะคือเก่าแก่มากอะพระเยซูยังไม่มีเลยอะค่ะค่ะแล้วก็ ที่กิดในต้นรายการที่บอกว่ามีอยู่หลายอารยธรรมนะก็มีตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณยุโรปโบราณนะครับจีนโบราณแล้วก็โลกมุสลิมโบราณโอ้ไปทั่วเลยนะไปทั่วเลยอารยธรรมค่ะที่ผมต้องพูดคําว่าโลกของมุสลิมในยุคโบราณเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนแบบก่อนเก่าก่อนมากๆเลยเนี่ยนะครับคือคือศูนย์กลางความรู้ของโลกเนี่ยมันก็กระจายไปหลายๆที่เนาะในยุคโบราณมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โลก มุสลิมโลกอาหรับเนี่ยเ ป, เป็นผู้นําความรู้อรารยธรรมนมะตอนนั้นก็จะมีการศึกษาดาราศาสตร์ที่แบบโดดเด่นมากมีการศึกษาพวกคณิตศาสตร์พวกตรกนิติอะไระพวกนี้ <laughs> ก็เริ่มมาจากโลกฝั่งนู้นเนาะใช่โลกมุสลิมอาหรับนี่แหละแล้วก็การเล่าเร่อประวติศาตรเนี่ยทำให้นักเล่าเรืร่อประวัาตรยุค ข, ของมุสลิมโบราณเนี่ยเขารู้จักศารต่างๆเยอะขึ้นมากๆเลย กระบวนการกลั่นกระบวนการอะไรพวกนี้สารที่รู้จักเช่นพวกกรดให้โรคคลอริ์กรดเกลือเขารู้จักสารต่างๆเยอะขึ้นมากแม้ว่ามันจะไม่เคยสําเร็จเลยก็ตามนะไม่เคยสามารถเปลี่ยนเป็นทองได้ในยุคไม่เคยมีใครทําได้เลยแล้วก็อย่างยุโรโบราณเองเนี่ยความรู้เรื่องการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยก็ถือว่าเรืองรองมากแต่มันก็ไม่เคยสําเร็จแต่กระนั้นมันก็มีการค้นพบที่เป็นผลพลอยได้ฮะเช่นเฮนิชบรันต์นะครับ เขาเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุที่ใช้วิธีประหลาดมากเลยอะ่ะคือมันไม่มีใครรู้ว่าต้องทํำยังไงเนา ะ, ะบางคนก็บอกว่ามันต้องใช้ศิลานักปราดศิลาอาถรรพ์อะไรแบบเนี้ยเหมือนอเนเมนนีความลับเป็นคีย์ที่ต้องไปเจอจากตรงนั้นเพื่อมาใช้ในการใช่บางคนก็บอกต้องใช้ไอ้นนท์ไอ้นั่นไอ้นีน่เป็นของลึกลับเลยพวกเนี้ยคุณเฮนนิชบรันต์เนี่ยก็พยายามใช้วิธีที่คือมันไม่หาศิลาอาถรรพ์ไม่ได้ เ, เขาก็ใช้วิธีประหลาดที่ มาถึงวันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะว่าทำไมเขาทําอย่างนั้นเขาเอาปัสสาวะมนุษย์ ม, มาเป็นปริมาณมหาศาลเลยแล้วกลิ่นเนี่ยมันสุดยอดอแล้วคือเก็บไว้แบบเยอะมากแล้วก็เอามาทําการทดลองแบบบ้างกระตั้งทิ้งไว้เดี๋ยวก็เอามาอุ่นเดี๋ยวเอามาเผ า, าอะไรต่างๆ น, นานา<อ>คือเขาคิดว่าปัสสาวะเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้การเปลี่ยนตะกั่วกลายเป็นทองเนี่ยสำเร็จได้หรือแม้แต่ตัวปัสสาวะเองนะอาจจะกลายเป็นทองคําได้เลยพวกนี้แต่ทีเนี้ย มันไม่สำเร็จแต่สิ่งที่เขาเจอหลังจากปัสสาวะมันผ่านกระบวนการบางอย่างเนี่ยมันเป็นผงขาวๆ<ม>แล้วพบว่าไอ้ผงขาวๆเนี่ยพอเอาไปจุดไฟเนี่ยมันลุกสว่างแบบเป็นแสงขาววุบมากเลยอตอนนั้นโลกได้รู้จักธาตุชนิดใหม่ที่เรียกว่าฟอสฟอรัสอะไรแบบเนี้ยแต่คือมันไม่ไม่เคยมีใครทาสำเร็จ<อ>ใช่ ไม่เคยมีใครทำสำเร็จค่ะแล้วจากคุณคนนั้นต่อมาคนอื่นก็ยังพยายามอยู่ไหมคะพี่พยายามเรื่อยมาพยายามใช้พลังอย่างมากจนกระทั่งมันเริ่มเสื่อมลงช่วงประมาณ 3-400 ปีก่อนยุคนั้นก็เป็นยุคของคุณไอแซกนิวตันนะไอแซกนิวตันเนี่ยอันนี้คือมีบันทึกอย่างชัดเจนนะฮะว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเล่นแร่แปราธาตุอยู่เลยอ๋อยังยังพยายาม <Cancer S 1> เหมือนกันค <Isaac Newton S 1> อนเไอแซกนิวตันเนี่ยแต่เขาต้องแอบทําลับๆนะเพราะว่าในยุคนั้นมันเริ่ ม, เ ร, ม, เ, รมเริ่มจะนอกรีดละคนเริ่มเอี่ยงว่ากับการทําสิ่่งใช เขาเลยเรียกไอแซคนิวตันว่าเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกพ่อมดคนสุดท้ายเป็นคือเคยได้ยินคํานี่ไหมไม่เคยค่ะเขาเท่มากยคนิวตันเป็นแบบนั้นก็คือเหมือนเป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากสิ่งที่มันดูเป็นของเก่ามาสู่วิทยาศาสตร์จริงของลี้ลับอะกลายมาสู่วิทยาศาสตร์อจะถามว่าคนคีแมนสําคัญหรือตัวบุคคลสําคัญที่ทําให้การเล่ไล่ประธาดเนี่ยมันกลายเป็น เรื่องที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์คนแรกๆเลยเนี่ยก็อยู่ในยุคไอแซคนิวตันและหลายๆคนที่เรียนวิชาเคมีน่าจะเคยได้ยินชื่อคนนี้ด้วยคนเรียนฟิสิกส์ก็ต้องเคยได้ยินแต่ว่าเขาไม่ดังเท่าไอแซคนิวตันซึ่งก็ไม่แปลกเพราะไอแซคนิวตันเขาแบบมีคิดค้นสิ่งต่างๆขึ้นคือมันโดดเด่นไงแต่คนนี้ถือว่าเป็นคนสาคัญมากก็คือคุณโรเบิร์ตบอยโรเบิร์ตบอยเนี่ยเป็นนักเคมีซึ่งนักเคมีที่ชื่อโรเบิร์ตบอยเนี่ย ใครที่เรียนมาก็จะเคยได้ยินผลงานของเขาแหละชื่อกฎของบอยนะกฎของบอยเนี่ยมีอยู่ว่าถ้าเราเพิ่มความดันให้กับแก๊สเนี่ยปริมาตรมันต้องลดลงซึ่งมันก็ฟังดูธรรมดาคือเราไป อ, อัดแก๊สให้มันมีความดันปริมาตรต้องลดลงแหล ะ, ะแต่ว่าคุณโรบดบอยศึกษาจนมันออกมาเป็นกฎทางคณิตศาสตร์นะที่มีควา ม, มชัดเจนมากมแล้วก็เขายังมีบทบาทต่อคุณไอแซคนิวตันในแง่ที่ว่าเป็นบุคคล ร่วมก่อตั้งรอยัล Society ราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งลอนดอนที่เป็นสมาคมวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับแล้วนิวตันก็มีบทบาทในสมาคมนี้ด้วยแล้วคุณบอยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเล่นแร่แปรธาตุยังไงเขาเป็นนักเคมีที่เสนอว่าการศึกษาเคมีเนี่ยจากนี้ไปเราควรจะศึกษาเป็นระบบระเบียบชัดเจนรัดกลุ่มแล้วก็มีหลักฐาน อ, อะไรที่มันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนเนี่ยตัดทิ้งไปเลย อไอ้พวกแบบศิลาอาถรรพ์ศิลานักปาาอะไรที่นึกขึ้นมาว่ามันน่าจะมีแต่ไม่มีหลักฐานพวกนี้อย่าไปเสียเวลาตัดทิ้งไปเลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยการเล่นแร่แปรธาตุเริ่มกลายเป็นของนอกเรียดเริ่มกลายเป็นเรื่องลี้ลับเป็นของที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วแล้วเคมีสมัยใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นณนะตอนนั้นนะครับซึ่งคุณอุปการของการทําแบบเนี้มันทําให้นักเคมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ต้องไปเสียเวลากับการเล่นแร่แปรธาตุต่อไปแล้วแต่แม้แต่ ตอนนั้นเนี่ยไอแซคนิวตันก็ยังมีแบบแอบแใช่ไหมคะที่ แ, บบทแล้วมันมีมีจุดไหนที่แบบทําให้ทุกคนแบบโอเคการเล่นแรบแปรธาตุเนี่ยเราเราไม่ไม่ทําอย่างจริงจังแล้วก็มีการขนานว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เทียมอะไรอ่าใช่คือทุกวันนี้ถ้าพูดถึงการเล่นแรบแปรธาตุในคอนเซปต์ของการหานักปราชญาอาถรนพวกเนี้ ม, มันเป็นวิทยาศาสตร์เทียมไปแล้วอย่างแท้จริงเลยในยุคนี้นะครับคือคือเป็นของที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แน่แต่พี่น้องฟางถามว่ามันมีจุดเปลี่ยนสําคัญไหม จุดเปลี่ยนสำคัญมันเริ่มจากคุณโรเบิร์ตบอนี่แหละแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆอย่างรุนแรงเพราะว่าพอเคมีกลายเป็นการทดลองที่ต้องชัดเจนรัดกลุ่มมากๆและตัดของที่มองไม่เห็นออกไปการมโนสิ่งลี้ลับออกไปเนี่ยและตอนนั้นเนี่ยนักเคมีเริ่มตระหนักได้อย่างหนึง่งเฮ้ยมันมีสารอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีความพิเศษกว่ากว่าอย่างอื่นคือเราไม่สามารถทาให้สารกลุ่มนี้แยกย่อยลงไปมากกว่านี้ได้แล้ว หมายถึงยังไงคะคือสมมุติว่าผมเอาน้ำก็แล้วกันน้ำนะฮะน้ําที่เราดื่มกันเนี่ยเคมีในยุคนั้นในยุคก่อนเนี่ยเขารู้แล้วว่าน้ําเนี่ยสามารถแยกออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนก็ได้เป็นไฮโดรเจนก็ได้ดังนั้นน้ําเนี่ยถือว่าแยกย่อยได้<ะ>แต่ออกซิเจนเนี่ยแยกย่อยไปกว่า น, นี้ไม่ได้แล้วอไฮโดรเจนเนี่ยก็แยกไปกว่า น, นี้ไม่ได้แล้วอไอ้ตัวที่มันแยกไม่ได้แล้วเนี่ยเขาเริ่มมาเรียกเหมือนว่าเป็นธาตุอ e น e รีย์ <Element. S 1> เหมือนเหมือนเป็น แก่นสำคัญที่แบบว่าแยกออกมาจากนี้ไม่ได้แล้วใช่คือเป็นหน่วยย่อยที่สุดธิ์ลกันของของสารหรืออ่ะเราหายใจออกมาเป็นแก๊สเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในลมหายใจออกของเราคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีพิธีบางอย่างแหละที่แยกออกมาเป็นธาตุคาร์บอนได้ออกมาเป็นออกซิเจนก็ได้แต่ไอคาร์บอนเนี่ยทำยังไงก็ย่อยออกมาไม่ได้อีกแล้วทีเนี้ยพอรู้อย่างเนี้ยเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มเรียกกลุ่มสารที่แยกย่อยกว่านี้ไม่ได้แล้วว่าธาตุ ความเป็นธาดมันเริ่มจากตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นผลมาจากการที่เราเริ่มจากยุคที่มันมีการเล่นแร่แปรธาต<ช>ุแล้วก็ค่อยๆค้นพบกันมาเรื่อยๆใช่คือถ้าปราศจากการเล่นแร่แปรธาตุนะเอาจริงๆเราก็ไม่รู้จักกระบวนการทางเคมีหรือว่ารู้จักสารเยอะขนาดนี้นะฮ ะ, ะในยุคต่อมาอมแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญขึ้นมาอีกเกิดเมื่อเรียกว่านักอะไรดีเป็นอัจฉริยะก็แล้วกันชื่อคุณจอร์นดาตันค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นคนแรกที่ริเริ่มแนวคิดอะตอมสมัยใหม่ ดอลตันเนี่ยมองว่าธาตุต่างๆเนี่ยนะครับประกอบขึ้นจากสิ่งที่ย่อยที่สุดละเรียกว่าอะตอมอะตอมเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ย่อยกว่านั้นไม่ได้ธาตุชนิดเดียวกันก็มีอะตอมหน้าตาเหมือนกันคธ <c oughs> าตุที่ต่างชนิดกันก็จะมีอะตอมที่หน้าตาไม่เหมือนกันถูกต้องอนะครับในยุคที่คุณดอลตันสร้างทฤษฎีอะตอมขึ้นมาเนี่ยนะ <c oughs> เขาก็ยังพูดด้วยว่าอ๋อแนวคิดนี้มีประโยชน์นะเพราะว่า เวลามันรวมกันเป็นสารอื่นๆเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยสัดส่วนเท่าเดิมอะไรพวกนี้แต่นักเคมีในยุคนั้นช่วงแรกๆรับไม่ได้นะถ้ารู้สึกจริงเปล่ามองก็ไม่เห็นอะตอมมีหรอแล้วแบบมันดูไม่มีประโยชน์อะดูแบบพูดขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยครับแต่การทดลองตอบต่อมานะครับมันเริ่มแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยอะตอมเหมือนจะมีจริงไว้เหมือนจะมีจริงแม้ว่าจะยังมองไม่เห็นก็ตามแต่มันมีประโยชน์ต่อการอธิบายธรรมชาติของสารเคมีเยอะมาก แต่คนที่มาเปลี่ยนโลคเกี่ยวกับาธาตุอีกคนก็คือ<ะ>นักเคมีชาวรัสเซียชื่อคุณดดมิทรีเมดเดล v เยฟชื่ออ่านยากมากเข า, เขาทำอะไรคะเขาเอ า, าธาตุต่างๆาเนี่ยมาเรียงคือวิธีเรียงเนี่ยเรียงในยุคนั้นเนี่ยเขาก็เรียงไปเรื่อยนะครับเขาค้นพบอย่างนึงคือพอเรียงตามแนวนอนไปเรื่อย เ, อยเนี่ย<ะ>มันเกิดประหลาดคือแนวตั้งเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติคล้ายกัน เหมือนอจัดหมวดหมู่อะไรบางอย่างได้ใช่คือเรียงตามน้ําหนักเนี่ยตามแนวนอนไปเรื่อยๆขึ้นบรรทัดใหม่แล้วเอพอขึ้นบรรทัดใหม่ปุ๊บแนวตั้งมีคนุนโซบัตคล้ายกันจนหน้าตกใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าตารางธาตุในยุคนี้และการมีคุณสมบัติที่เริ่มคล้ายคลึงกันประหลาดตรงเนี้ยมันเริ่มเหมือนจุดบอกใบ้ว่าเฮ้ยอะตอมเหมือนมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังนะไม่งั้นทําไมมันจู่ๆมันมาคล้ายกันขนาดนี้มันมันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังซึ่งทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าอะ มีเล็กกว่านั้นใช่องค์ประกอบของอะตอมก็คือตรงกลางเขาจะเรียกว่านิวเคลียสมีโปรตอนนิวตรอนแล้วก็ที่กระจายอยู่รอบๆเนี่ยเรียกอิเล็กตรอนนะซึ่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่เราทำการทดลองนะครับในโลกเคมีทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างนอกหมดเลยแต่ความเป็นธาตุเนี่ยมันขึ้นกับอะไรรู้ไหมมันขึ้นกับจำนวนโปรโตอนที่อยู่ในนิวเคลียสที่อยู่ตรงกลาง และปฏิเริยาเคมีต่างๆมันไม่ได้มีพลังงานสูงพอจะเข้าไปยุ่งกับโปรตอนที่อยู่ในนั้นอนึกออกไหมดังนั้นโปรตอนที่เปรียบเสมือนไข่แดงหรือป้อมประการของอะตอมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาไม่ไปสูงสิงกับใครง่ายๆหรอกดังนั้นปฏิเริยาต่างๆที่นักเคมีเสาะแสวงหามาตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์กาลเนี่ยนะครับมันไม่มีทางเปลี่ยนชนิดของธาตุได้เลยอเปลี่ยนไม่ได้เด็ดขาอใช่เพราะเราเปลี่ยนโปรตอนไม่ได้ ใช่การดึงโปรโตอนออกมาเนี่ยต้องใช้ฟิสิกส์และข่วาวนี้โลกของเคมีโดยทั่วไปนะครับมันจะยุ่งกับอิเล็กตรอนเป็นหลักเลยแต่ว่าไอ้ก้อนนิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าเราไปยุ่งเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์อ่าคือไปยุ่งกับนิวเคลียสก็เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ถ้าอยู่ข้างนอกอิเล็กตรอนก็เรียกเป็นโลกเคมีนะนะการถ่ายเทอิเล็กตรอนการใช้อิเล็กตรอนร่วมการการเดี๋ยวพูดมากกว่านี้ปวดหัวคือเคมีเนี่ยเป็นวิชาที่ผมแบบคือผมได้คะแนนใช้ได้นะแต่มันยากอ่ะสารมันเยอะ จริงค่ะผ่านมาออได้ก็แบบภูมิใจแล้วอะ่ะเออแล้วทีนี้อยากรู้เลยว่าถ้าเรามาถึงโลกวันนี้ค่ะพี่ปองแปงการเล่นแรแ่แปรธาตุที่เมื่อก่อนมาอาจจะดูเป็นเรื่องลี้ลับ ม, มาถึงวันนี้จนมาเจอธาจนมาเจอว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนธาตุไม่ได้แต่ในความเป็นจริงความคิดที่อยากจะเปลี่ยนให้อะไรบางอย่างเป็นทองเปลี่ยนตะกั่วเป็นทองอะไรเงี้ยมันยังมีอยู่ใช่ไหมคะเออเรารู้ว่าเราใช้ปฏิกิริยาเคมีไม่ได้อแต่นักฟิสิกส์ไม่ยอมออืต้องบอกก่อนว่าโดยทฤษฎีแล้วนะครับ ถ้าเรามองเห็นนิวเคลียสแล้วเราหยิบอาโปรโตอนออกหรือใส่โปรโตอนเข้าเท่านี้เราก็ควรที่จะเปลี่ยนธาตุาดได้แล้ว อ, อันนี้โดยทฤษฎีเลยแต่ในทางปฏิบตัติการทำแบบนี้มันยากสาหัส ด, ดังนั้นการพยายามเล่นแร่แปรธาตุในแบบฟิสิกส์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณก่อนอหลายสิบปีแล้วละ่ะมีคนพยายามใช้ปริยาณนิวเคลียเนี่ยฮะเปลี่ยนธาตุให้กลายเป็น พระธาตุหนึ่งให้กลายเป็นทองคําได้สําเร็จแต่ทองที่ได้ดันเป็นกัมมันตรังสีนั่นหมายความว่าทองเนี่ยเป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับแล้วมันเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ได้มันอันตรายมากมันแผร่รังสีอ่ะอืแล้วถามว่าแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นทองที่ไม่แผ่รังสีทําได้ไหมก็ได้อยู่ดีคือในปีช่วงประมาณ1 9ึ0เนี่ยมันมีนักฟิสิกส์ชื่อคุณเกรนซีบ็อกเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนธาตุชื่อบิสมัทนะฮะให้เปลี่ยนเป็นทองคําซึ่งเปลี่ยนได้อนะค่ะ ด้วยพวกเครื่องเร่งอนุภาคในยุคนั้นคือระดมยิงเปลี่ยนไอ้ตรงกลางเนี่ยให้มันเปลนแต่พอเปลี่ยนได้เนี่ยมันเปลี่ยนมาได้น้อยมากเลยคือไม่แล้วค่าใช้จ่ายในการทําเนี่ยไม่คุ้มไม่คุ้มคือไปหาทองจริงๆเนี่ยง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะมากๆนะครับแล้วทําไมคนยุคนั้นเขาถึงอยากจะแบบได้ทองคําทําไมมันถึงแบบมีค่าโอ้ยไม่ต้องแค่ยุคนั้นยุคนี้ผมก็อยากได้ทองคำยุคนี้เริ่มรู้แล้วไงว่าอยากได้แต่ว่ายุคนั้นมันก็มีค่าสูงใช่ไหมคะ มีค่าสูงมาตั้งนานแล้วเพราะว่าทองคำเนี่ยหนึ่งคือมันมันสวยครับมันแวววาว ม, มันคือบรรดา ส, าสารที่อยู่รอบตัวเราอะนั่งถ่ายรายการอยู่เนี้ยถ้ามีทองอยู่แท่งหนึ่งวางอยู่เนี่ยมันไม่เด่นเหร อ, อ ม, มันเด่นนะโดยรูปลักษ์ของมันสีสันความแวววาวมันโดดเด่น<ะ>แล้วก็มันมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ธาตุอื่นมันทดแทนไม่ได้มันถูกทําให้เป็นแผ่นบางๆได้มากเลยนะค่ะแบบทองคําเปลวพวกนี้โดนสารโดนอะไรก็ไม่ค่อยจะทำกริยาคือมันมีความเฉื่อยของมันคือทองมันไม่ค่อยแพ้อะไรอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมมันแพ้อ่แต่มันก็มีของที่แพ้แหละแต่ว่ามันน้อยนะครับแล้วก็นั่นแหละด้วยความที่มันเป็นของที่หายากด้วยมันก็เลยกลายเป็นโลหะที่มีค่าแต่ทุกวันนี้มัน มันไม่ใช่แค่ทองนะที่ที่ที่เรามองว่าเป็นโลหะมีค่าเดี๋ยวนี้มันมีโลหะเยอะแยะเลยนะที่แพงกว่าทองแล้วก็มีค่าโรเดียมอะไรพวกนี้ฮะไม่รู้เคยได้ยินบ้าแต่เขาก็เก่งกำไรพวกนั้นมันมีหลายอย่างแต่ทองนี่มันคลาสสิกมันคลาสสิกมันมีตั้งแต่ยุคโบราณแล้วดังนั้นถามว่าการเร่นแร่แปลธาตุเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ในในมุมมองเชิงฟิสิกส์นิวเคลียร์แต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ไม่คุ้มอย่างรุนแรงอและทุกวันนี้การเล่นแรกแปรธาตุมันกลายเป็นวิทยาศาสตร์เทียมในตรงที่ว่าถ้าเราพยายามหาวิธีที่หรือมีใครสักคนมาขายน้องฟางว่าเ อ, อผมขายหุ้นบริษัทแบบเล่นแร่แปรธาตุนะ อ, ม, อะมาหุ้นกับพี่บ่งแปลงไหมรับรองรวยเละเลยอะไรเงี้ยเราก็ปฏิเสธไว้ก่อนได้เลยเพราะว่ามันเป็นรวิทยาศาสตร์เทีย ม, มคําว่าวิทยาศาสตร์แท้กับวิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยเราใช้อะไรในการตัดสินค่ะในการแบ่งแยกมัน เป็นคาถามที่ดีมากจริงๆก็น่าจะทำสักตอนหนึ่งนะแต่ตอนนี้เอาคร่าวๆก็แล้วกันวิทยาศาสตร์เทียมคือสิ่งที่ทดลองซ้ำไม่ได้ อ, อันนี้จุดสังเกตข้อที่หนึ่งน ะ, ะวิทยาศาสตร์แท้ๆเนี่ยคือทดลองซ้ำแล้วมันได้ผลอย่างเดิม2ก็คือวิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยเ ร, เราพิสูจน์ว่ามันผิดไม่ได้พิสูจน์ว่ามันผิดไม่ได้ใช่มัน มันมีวิธีทําให้ถูกได้เสมอในขณะในขณะที่วิทยาศาสตร์แท้ๆนะฮะก็มีวิธีพิสูจน์ว่ามันผิดได้แน่ๆยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีกฎฟิสิกส์ข้อนึงแถลงมาว่ากฎของปองแปงแล้วทดลองออกมาแล้วไม่จริงอะ่ะเป็นสมการชัดเจนเลยผมแถลงออกมานะแล้วถูกพิสูจน์ว่ามันไม่จริงเนี่ยวิทยาศาสตร์แท้ๆแต่วิทยาศาสตร์เถียมไม่ไม่มีทางผิดอเช่นถ้าผมบอกว่าผมมีหินอยู่ก้อนหนึ่งที่ถ้า เอามาวางไว้ใกล้ๆหัวเนี่ยจะรักษาอาการปวดหัวได้แต่ต้องมีศรัทธานะอ่าทีนี้ถ้าผมไม่หายเขาก็จะบอกว่า อ, อ๋อศรัทธาไม่พอแล้วพอกับไม่พอเนี่ย <What S 2> มันงงผิดอ่ะใช่มันมันไม่ผิดอะเอออืมซึ่งการไล่แปรธาตุเนี่ยนอกจากจะ เออเป็นเรื่องที่ทําซ้ําก็ไม่ได้นะฮ ะ, ฮะแล้วก็คือจริงๆมันทําไม่ได้เพราะว่าตอนนี้องค์ความรู้เรามันพร้อมหมดแล้วว่าโหมันไม่มีทางเลยอ่ะนะมันจะถูกจัดเป็นของที่ฟังดูมีกลิ่นของวิทยาศาสตร์แต่มันไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันมันน่าพูดเพราะว่าวิทยาศาสตร์เทียมทุกวันนี้มันเยอะแล้วแล้วเวลาขายเขาจะใช้เซนส์ของวิทยศาศาสตร์มาขาย อ, อ่าเหมือนเหมือนจะน่าเชื่อเหมือนจะมีหลักการแต่จริงจริงเอ๊ะไม่ใช่อะไรใช่ครับ คือแม้ว่าเราจะแยกแยะวิทยาศาสตร์แท้กับวิทยาศาสตร์เทียมออกไปได้เนี่ยผมมองว่าเวลาเราดูหนังหรือดูอะไรอะดูดูการ์ตูนหรือว่าเล่นเกมอะไรเงี้ย Full Metal Alchemist หรืออะไรก็ตามมันมีอะไรพวกนี้อยู่โลกของแฟนตาซีเนี่ยสำหรับผมนะเราก็ดูเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เราก็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 มันทำไม่ได้ย้เว้นคุณจะมีเครื่องเร่งอนุภาคหรือมีเครื่องทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซ, ซึ่งเขาก็พิสูจน์กันมาแล้วว่ามันไม่มันม่คุม้มเราฟังว่าวิทยาศาสตร์เทียมหรือว่าการเล่นแ ร, แร่แปรธาตุเนี่ยเหมือนเป็นบทเรียนของมนุษย์เราเหมือนกันเนืว่าในยุคหนึ่งอารยธรรมหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เราอาจจะเคยเชื่อหรือว่าอาจจะเคยหลงไปกับบางอย่างที่มันไม่ใช่หลักการที่มันถูกต้องร้อเซแต่มันส่งผลมาว่าวันนี้เราเลยมีวิชาเคมีเราเลยมีการทดลองเราเลยมีแบบว่า หลักการทางเคมีหรือว่าฟิสิกส์ที่สุดท้ายแล้วเจอจริงๆว่ามันมีวิธีที่ถูกต้องได้ด้วยเช่นกันใช่คือ<ม>เสริมนิดนึง<ม><ม>คือผมมองว่าถ้าไม่มีโลกของการเล่นแร่แปรธาตุในอดีตเลยน ะ, ะมนุษย์เรารู้จักสารเคมีกับกระบวนการทางเคมีน้อยลงเยอะอนะคือการลองผิดลองถูกมั่วซั่วเนี่ยมันเป็นกระบวนการสู่การหาความรู้อยู่ละแต่ตอนที่เรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาเป็นฐานในการใช้ชีวิตเนาะอื แต่ถ้าย้อนกลับไปจริงๆนะถ้าผมมองจริงๆคือศิลานักปรามันคืออะไรอถ้าให้มองในยุคเนี้ยค่ะผมว่ามันคือความรู้สิ่งที่เปลี่ยนสิ่งไม่มีค่าให้กลายเป็นสิ่งมีค่าได้มันคือความรู้มันคือความรู้ที่จะบอกด้วยว่าเราควรจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่เป็นไปได้เท่านั้นออืเพราะถ้าพูดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความเป็นไปได้อย่างเดียวมันแค่ครึ่งเดียวอ ม, มนุษย์เร า, เาไม่เสียเวลาไปกับ ก, บการเล่นแร่แปราธาตุมันทําให้เราเอาเวลาไปใช้กับ เคมีที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงผมว่าความรู้ตรงนี้แหละคือศิลานักปาตที่ทำให้มนุษย์เราก้าวหน้าได้จริงๆ ค, ความไม่รู้ในวันหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นประตูเปิดให้เรามีความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราได้ลองแตะแตะบางอย่างที่ออกจากฟิสิกส์ไปสู่เคมีด้วยนะ ừ ừ ừ ừ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าทุกๆคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงคะอยากใดๆในโลกล้วนเคมีกันบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกเราตามอ่านกันนะคะฝากกด subscribe นะคะ YouTube Channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามรายการของพวกเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ